คาถาวัตถุสิบประการนี้สําคัญมากเลยนะแม้กระทั่งว่าผู้ที่ฟังธรรมก็ควรฟังเพื่อให้เป็นคาถาวัตถุสิบซึ่งสูตรต่อไปข้างหน้าจะมีในสุญญาตาสูตรในพระพุทธเจ้าให้ฟังธรรมเพื่อให้ได้คาถาวัตถุสิบถ้าฟังก็ฟังเพื่อความมาักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิวมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่นเองทีนี้พระพิสูรูปใดที่มีคาถาวัตถุอยู่ในคาถาวัตถุสิบประการและยังกล่าวสอน สอนอะไรสอนเรื่องความมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปลารบความเพียนสอนให้ผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยขณะเดียวกันท่านก็ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบสอนผู้อื่นให้อยู่ในกถาวัตถุสิบชี้นําชักชวนให้คนอื่นเข้าอยู่ในกถาวัตถุสิบทาให้เขาเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารร่าเริงดํารงอยู่ในการปฏิบัติอยู่ใน กระถาวัตถุสินะคือเป็นคนที่ดีมากแล้วก็สอนให้คนอื่นดีด้วยแล้วก็มีคนอื่นที่เขาทาดีตามที่ท่านสอนด้วยภิกษุรูปนั้นมีไหมภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าเนี่ยนะนะอาจารย์ของข้าพระองค์นั่นแหละพระเจ้าข้าวันกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติภูมิเนี่ยนะนะก็คือมาปรึกษากันแล้วก็อาจารย์เรานะั่นแหละนะว่าท่านพระปุณณมันตานีบุตร ผู้เป็นผู้ที่พวกเพื่อนพรหมจันท ร, ร์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องคือในชาติภูมิในแคว้นสักกะเนี่ยนะแคว้นสักกะชนบทพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยท่านโดดเด่นเหมือนพระจันนายามกลางคืนเหมือนพระอาทิตย์นยามกลางวันพระปุณณมันตานีบุตรโดดเด่นอย่างนั้นและขณะเดียวกันท่านพระปุณณมันตานีบุตรตัวเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษวิเวก เงียบสงัดเนี่ยนะไม่คลุกคลีด้วยหมูปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยามทัศนะและยังกล่าวสอนเรื่องความมากน้อยสันโดษนะความสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมูปรารบความเพียรสอนให้ผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยามทัศนาอีกด้วย เป็นผู้สอนเป็นผู้ที่แนะนำให้เข้าใจชี้ชวนชักชวนภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้เห็นแจ้งในคะถาวัตถุสิบให้สมาธานอยู่ในคะถาวัตถุสิบให้อาฐานกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามคาถาวัตถุสิบและมีความสุขร่าเริงอยู่ในการปฏิบัติตามคะถาวัตถุสิบเพราะฉะนั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรนี่แหละเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไป สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนะที่ใกล้ดํำริว่าเป็นลาบของท่านปุณณมันตานีบุตรความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณมันตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกพิสุเพื่อนพรหมจันทร์ผู้เป็นวินยูชนกล่าวยกย่องปัณ น, น, นาคุณเฉพาะพระพักพระาศาสดาคือหมาพิเศษมากเลยนะคนที่ได้รับคําชมต่อหน้า พระพักพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาการกระทําอันนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านปุณณมันตานีบุตรแล้วได้สนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งคิดดูนะพิเศษถึงขนาดว่าพระษาลีบุตรก็ยังหยับพบเหมือนกันก็มาดูว่า <c oughs> ย้อนกลับมาถึงว่าพระพุทธเจ้าถ้าจะถามถาม ถ, ามถึงใคร ถามผู้ที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในระถาวัตถุสิบและชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในระถาวัตถุสิบเนี่ยนะครับย้อนกลับมานี่เนี่ ย, เ, ยเรามีคุณสมบัติให้พระพุทธเจ้าถามถึงบ้างหรือเปล่านาะอย่างนึงมีบ้างหย ม, มักน้อยสันโ ด, ดไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียนเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัตนะชวนให้คนอื่นปฏิบัติตามนี้หมดเลยเนี่ยนะ ตั้งคำถามว่าเพราะเหตุไรในหน้า3ามร้หาบแปดทไมเนาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสถามถึงความไม่มีโรคของพระเจ้าสุดโททนะเป็นต้นเลยไม่พูดถึงพระญาติเลยเนี่ยนะไม่ทูดถึงแผ่นดินอนาณาประชาราชอะไรเป็นต้นไม่ถามถึงเลยตรัสถามเฉพาะพิสูจน์เห็นป่านนี้เท่านั้นพูดถึงเฉพาะพระภิสูจน์ที่ได้กระถาวัตถุสิบและชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุสิบเพราะ ว่าบุคคลเช่นนี้เป็นที่รักของพระพุทธเจ้าอย่างไรพระพุทธเจ้าชอบบุคคลชนิดนี้ที่สุดนะนะบุคคลผู้ได้กระทำวัตถุ ด, ด้วยตัวเองและสอนให้ผู้อื่นมีกระทำวัตถุเสร็จเพราะนี่แหละเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้ารักพระพุทธเจ้ามีคนที่พระองค์รักบ้างไหมบอกมีแต่คําว่ารักในที่นี้คือแบบมาคิดถึงกันนะแบบตราด้วยเมตตาเป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่ามีตันหานนะจะหมายความว่าเป็นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอ่ะนะ เป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจก็อย่างเช่นคล้ายกับว่าเช่นภาษาลิบบทเนี่ยภาษาริบุตรอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นก็เหมือนกับว่าตัวเองอยู่ณนะตรงนั้นอยู่แล้วมีคุณสมบัติทําอะไรได้เลยๆอย่างเช่นกับตนเมื่อนึกถึงก็สบายใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ได้กระถาวัตถุสิบและสั่งสอนแนะนําชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิจึงเป็นที่รักของพระพุทธเจ้าท่านย้ําจริงอยู่นแปลว่าคําที่ย้ํา เน้นว่าภิกษุภิษุณีอุบาสกและอุบาสิกาผู้ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบเนี่ยนะผู้นั้นย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบพระไทยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้ตั้งคำถามว่าทำไมทาไมทำไมพระพุทธเจ้าจึงชอบใจคนที่ตัวเองอยู่ในกถาวัตถุสิบและสามารถแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะพระองค์งเป็นผู้หนักในธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมเนี่ยนะจริงอยู่พระตถ า, าคตทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมหนักในธรรมในที่นี้หมายถึงหนักในโลกุตรธรรมและขะอ้อปฏิบัติเพื่อโลกุตรธรรมนนะพระองค์เคารพโลกุตรธรรมมากและเาคารพข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติให้ได้โลกุตรธรรมเมื่อพระองค์งเป็นผู้ที่เคารพในธรรมนั่นแหละทาให้พระองค์งรักผู้ที่ปฏิบัติใน กถาวัตถุสิบและชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบด้วยทีนี้ยกตัวอย่างว่ามีตัวอย่างที่บอกว่ามีอุทาหอนมีเรื่องประกอบไหมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมมีอัธยาศัยนะที่เรียกว่าปรารบเพื่อจะเคารพธรรมบอกมีแรกตรัสรู้เมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่โคนแห่งต้นอาชาปาลนิโครดเรียกว่าโคนต้นใสแรกตรัสรู้สัปดาห์ที่สะ ที่หโพธิบัลลังก์ที่สองรัตนะที่สองอนุมิสเจดีที่3รัตนะจงกรมที่4รัตนคะระที่หเนี่ยอาชะปาละนิโครดเนี่ยนะสัปดาห์ที่5ที่พระโอแรกตรัสรู้นะพระองค์ประทับอยู่ที่โคนต้นไทรพระองค์คิดว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่ไม่มีที่เคารพหรือเป็นคนที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงคือเป็นชีวิตที่เรียกว่ายอดเลยนะสูงสุดแล้วจนไม่รู้อํานาจสุดยอดแล้ว ไม่มีที่เกรงใจเลยไม่เห็นมีใครอยู่ในสายตาที่จะต้องไปเกรงอกเกรงใจต้องไปหวั่นไหวจะต้องไปอะไรบอกไม่มีเนี่ยคนที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วอยู่เป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ทําอะไรทุกอย่างตามใจตัวเองหมดได้คนที่มีสิทธิ์ทําอะไรทุกอย่างตามใจตัวเองทุกประการเลยเนี่ยนะไม่ต้องอิงอาศัยใครเลยถามว่าเขามีความสุขจริงไหมไม่นี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าใครที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงนะั่อยู่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าคิดอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นพระองค์จึงประารว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่แหละจะเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงของพระองค์นั้นพระองค์จะเคารพธรรมจะบูชาธรรมตอนแล้วตอนหลังถ้าสง์มูสงใหญ่เมื่อไหร่โดยคุณสมบัติและโดยคุณธรรมตอนหลังพระองค์ก็จะเคารพสงด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมจริงอยูอ่ตรงนี้ยกตัวอย่างถึงการเคารพธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ มาเป็นตัวอย่างประมาณสิบกว่าในสิอ น, นะประมาณสิบ2ดในเนี่ยนะที่ยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้คถถารรมยกมาสิบสองตัวอย่างก็แล้วกันสิบสองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเพราะความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำการต้อนรับในวันออกบวชของพระมหากระสปะโดยเสด็จดาเนินหนทางประมาณสามคาวุตร สีขาวุฒเป็นหนึ่งโยต์พ่องเดินทางประมาณ12กิโลนะเดินทางไปต้อนรับใครไปต้อนรับพระมหากระสปะคือวันหนึ่งพระมหากระสปะเนี่ยละทิ้งอาคารบ้านเรือนออกบวชพร้อมกับนางพัะตกาพิลานีเนี่ยนะพอออกบวชมาสองคนเนี่ยพอมาถึงทางสามแยกแต่ ถ, ถ้ามองข้างหน้าก็มีแค่สองแยกนะถ้าเทียบกับทางที่ตัวเองเดินมาก็เท่ากับทางสามแยกพอดีมีทางซ้ายกับทางขวา ทีนี้พระหมหากรสปาท่านก็มาคิดว่านางพัตกาปิลาเนี่ยเป็นหญิงที่งามมากในแผ่นดินในยุคนั้นแงงามมากนั้นถ้า ก, การที่จะไปด้วยกันก็เป็นที่คอรหาคนใดที่คอรหาท่านคนนั้นจะตกนรกมันก็สงสารไม่ต้องการให้คนตกนรกทําไงเรามาแยกทางกันไปแล้วกันอนะทำไงดีใครจะไปทางไหนก็บอกนางพัตกากบอกหญิงไปทางซ้ายชายไปทางขวาเข้ากันนะนะ ก็บอกว่าชายหน้าเคารพขวาผู้ชายไปไปขวานางก็ไปซ้ายพระมหากษัตก็ระหว่างที่แยกกันเนี่ยนะเขาบอกว่าสันทะวะการเกี่ยวข้องกับของคู่นี้มาแสนกลับละเรียกว่าทำกุศลร่วมกันมาแสนกับวันที่จากกันเนี่ยแผ่นดินไหวพอแพ่นดินไหวเข้าเนี่ยนะาไงอะพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ที่เวลุวันนั่นแหละ องคก็บอกว่าเอ๊ะพระเชษฐพระมหากรสปะเนี่ยออกบวชแล้วการออกบวชของพระมหากรสปะบอกเลยว่าพระอรหันตสำมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ในที่ใดในโลกข้าพเจ้าบวชอุทิศพระอรหันตสำมมาสัมพุทธเจ้าใจของท่านมีอันเดียวเท่านั้นคือเพื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาบุคคลอื่นท่านเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะที่ที่ท่านออกบวชนี่ท่านตั้งไว้อย่างนั้นแล้วท่านก็ออกบวชพอออกบวชไปถึงพอแยกตรงนั้นแผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าอยู่ที่เวรุวัน ถ้าดินไหวขึ้นพระ อ, องค์ก็ปรารบเอากัสปะบุตรของเรามามาบวชเนี่ยนะเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทํากิจอะไรช่วยพระาศาสนาโดยเฉพาะเจ้าของงานทําสังขยนาเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่จะรวบรวมทําสังขยนาเป็นคนที่หมายความว่าดีด้วยตัวเองด้วยแล้วก็จะช่วยให้าศาสนาดียั่งยืนเป็นคนที่จะทําให้าศาสนาอยู่ได้ 5,000 ปีเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็เลยไปต้อนรับเขาไปต้อนรับเนี่ยนะ ไม่ถึงก็ไปต้อนนะก็ไปนั่งที่ที่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็แผ่รัศมีพระมหากระสปะก็มาถึงก็มามาเห็นะนะเห็นรัศมีเป็นต้นนี่เห็นปั๊บนี่รู้เลยวันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนี่แหละคือบุคคลที่เราอุทิศส่วนอุทิศบวชเจาะจงให้แต่แล้วท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าถ้าพระมหากระสปะกราบแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินก็หวั่นไหวกราบทะเลทะเลก็แห้งไหวอากาศฝนก็ไม่ตก คุณสมบัติของท่านเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีบุญมากขนาดนั้นจะเป็นคนมีบุญจริงๆอ่ะนะแล้วก็เป็นคนที่ออกบวชเนี่ยพระมหากรสปะเนี่ยน้องๆจะเป็นพระราชาอยู่แล้วเนี่ยนะคือเป็นคนที่มีกองทัพเป็นของตัวเองมีเรียกว่าพวกข้าทาสกรรมกรนะเขาบอกว่านายก็เป็นไทยนายขอเป็นไทยประกาศอยู่ร้อยปีไม่หมดเนี่ยนะแล้วก็มีเขื่อนเป็นของตัวเองระบบการดูแลชนประธานอะไรก็มีทุกอย่างร่ำรวยมากเลย แล้วก็ออกบวชแล้วก็ไม่เยื่อใ ย, อยนะพากันสองคนเดิอนออกบวชมาเฉยๆอย่างนั้นนะ่ะเนี่ยนะเขาทั้งคู่ก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่ารวยถึงขนาดบอกว่าเขาอาบน้ําเนี่ยท่านไม่ใช้สบู่ท่านใช้ผงทองคำเนี่ยอาบน้ําเนี่ยนะเขบอกใช้วันละหทนานเองนะเนี่ยนะแป้งอาบน้ําเขาเนะผงทองคำอย่างนั้นนะขนาดนั้นนะอ่ะทีนี้พอพระมหากัะสปะ ก, ก็บวชบวช ด, ด้วยโอวาท สข้อข้อที่หนึ่งก็คือตั้งความเคารพยำเกรงในภิกษุทั้งเบื้องปูนต้นปูนกลางและก็ปูนเทระเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะไม่ละทิ้งกายคตาสติต้องเจริญกายคตาสติถือเป็นหลักข้อสถ้ามีผู้ใดกล่าวทมจะรวบรวมความคิดทั้งหมดแล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรม ไม่ไม่ไปเรื่องอื่นเหมานกนเถอะนี่ประชุมประชุมความคิดทั้งหมดแล้วเพ่งที่ทำที่คนอื่นที่พูดโดยทาเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำว่าโอวาธูประสัมปทาบวช ด, ด้วยโอวาโอวาทสามข้อนี้แหละที่พระมหากศสปะออกบวชแล้วบวชเจ็วันท่านก็เป็นผ้ารหารันนี่ขณะเดียวกันเนี่ยนะอพอตอนที่มาบวชปร๊พระพุทธเจ้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสังเปลี่ยน จีวรที่ท่านเอามาบวชนี่เป็นผ้าชั้นดีมีราคาสูงมากเลยนะพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยผ้าผ้าสังฆิเก่าของเธอผืนนียนิ่มก็แสดงว่าพระองค์ประสงค์ก็เลยเปลี่ยนแล้วพระองค์ก็ถอดผ้าที่พระองค์เนี่ยเปลี่ยนผ้ากันนะนะผ้านั้นเป็นผ้ามหาบางสกุลที่พระองค์ไปชักผ้าบางสกุลมาแล้วแผ่นดินไหวพระมหากษัตริยนี่ใช้ผ้าบางสกุลตั้งแต่ออกบวตั้งแต่บวชเลยว่านงแต่จวบจนปรินิพานก็เรียกว่าเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนผ้า มีสาวกองค์เดียนที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนท่าใช้เนี่ยนะแล้วก็แล้วก็ตอนหลังเมื่อพระมหากระสปะออกบวชแล้วพระพุทธเจ้าชมหมดเลยว่าพระองคปง์ประสงค์จะเข้าปฐมฌานอย่างใดกระสปะก็ทําได้อย่างนั้นชื่นชมพระมหากระสปะทั้งทั้งรูปฌาน ท, ทั้งอรูปฌานทั้งอภินญาหกทั้งนิโรธสมาบัตยกย่องมากเลยเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงยกย่องพระมหากระสปะมาก เพราะว่าพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยไม่ได้อยู่ทําสังขารนาแต่พระมหากระสปานี่จะเป็นผู้ที่ทําสังขารนาเพานันคือแล้วก็พระาศาสนาเนี่ยเนื่องด้วยพระมหากระสปะพระมหากระสปะเนี่ยคํานึงถึงอุปการรคุณทั้งมวลที่พระองค์ทํากับท่านท่านจึงขวนขวายในการทําสังขารนาพระาศาสนาก็เลยถึงเราเพราะถ้าไม่มีพระมหากระสปะอดเรียนแน่เห็นไหมเห็นไหมเมื่ อ, นะ อ, นะอล ก, กระจัดกระจายระสามระสายไปถึงไหนไม่มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเน่ยนะ อันนี้เหตุผลหนึ่ง